ตอนที่ยี่สหกความขัดแย้งเริ่มปรากฏคำลงที่หลิวเคอเคอบอกกับคนภายนอกนั้นแม้แต่ตัวนางเองก็ยังหลงเชื่อไปแล้วทว่าในตอนนี้คนภายนอกกลับไม่เชื่อในสิ่งที่นางพูดอีกต่อไปเจิ้นหยุนชงไม่อยากเสียเวลากับผู้หญิงคนนี้อีกเขาเร่งให้พวกนางรีบวางของลงพระตกลงกันไว้แล้วว่าวันนี้จะกลับไปกินข้าวที่บ้านคุณแม่ของข้าตุนซี่โครงหมูไว้ตั้งนานแล้วทั้งยังทาของโปรดของเสียหวันไว้อีกตั้งหลายอย่างหากไปใช้กับข้าวจะเย็นหมดพวกเราต้องรีบหน่อยแล้ว หลี่ชิงถิงพยักหน้าซ้ำๆหลิวเคอเคอร์อถูกทิ้งให้ยืนเคว้งอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังนางยืนจนขาทั้งสองข้างเริ่มชาหนึบจึงค่อยๆขยับขาที่แข็งทื่อกลับเข้าห้องไปเมื่อมองดูห้องที่ว่างเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่ดูดีเลยสักชิ้นเงินที่พวกเขาจ่ายไปเป็นเพียงค่าเช่าลานบ้านเล็กๆหลังนี้ส่วนเฟอร์นิเจอร์ข้างในพวกเขาต้องจัดหามาเองหลิวเคอร์เคอนึกถึงสร้อยคฑทองคำที่หลี่ชิงถิงสวมอยู่ที่คอเมื่อครู่รวมถึงเสื้อผ้าใหม่บนตัวของนางแล้วก็ได้แต่ขบกรามแน่น ไม่เป็นไรขอแค่พวกเขาสองคนขยันสร้างตัวต่อไปภายหน้าย่อมต้องมีทุกอย่าง30ปีฝั่งตะวันออก30ปีฝั่งตะวันตกที่ใครทีมันนางอยากจะรู้นักว่าต่อไปหลีชิงผิงจะยังทําตัวได้ใจแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนพอตกค่าเมื่อโจเจี้นเย่ยกลับมาหลิวเคอเคอก็เอ่ยปากเรื่องซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างไรเสียจะแต่งงานกันโดยไม่มีแม้ตเตียงสักหลังไม่ได้รอให้ถึงสิ้นเดือนก่อนเถอโจเจี้นเย่ยต้องรอให้ทางเขตทหารจ่ายเงินเดือนก่อน ต่อให้หลิวเคอ์เคอจะพยายามปลอบใจตัวเองเพียงใดนางก็ต้องยอมรับว่าในเวลานี้นางรู้สึกอิจฉาลีชิงผิงเป็นอย่างมากผู้หญิงคนนั้นมีดีอะไรถึงได้แต่งงานไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านางโจวเจี้ยนเย่ยคืนคนที่นางแย่งชิงมาได้แต่ผลสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นกลับหันไปแต่งงานกับเจิ้งหยุนชงแทนดวงของนางช่างดีเหลือเกิน มือค้ำจัดขึ้นที่บ้านตระกูลเจิ้งวันนี้หลีชิงพิงไปที่ห้างสรรพสินค้าและควักเงินตัวเองซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับหลานชายทั้งสาคนของเจิ้งหยุนชงเจ้าชุนฮวาเอ๋อรชมไม่ขาดปากว่านางตาถึงพร้อมกับเร่งให้เด็กๆไปลองเสื้อผ้าใหม่เจิ้งเซาเฮิรคนโตนั่งนิ่งไม่ขยับราวกับไม่ได้ยินสิ่งที่เจ้าชุนฮวาพูดเขาเอาแต่ก้มหน้าก้มตากินของตัวเองไปเจิ้งเซาซิงคนเล็กยังเด็กอยู่เมื่อเห็นเสื้อผ้าใหม่ก็ดีใจจนเนื้อเต้นแครกแคร เจ้าง่ายอย่างคนรองกระแอมไอพลางขยิบตาให้คนเป็นน้องฝ่ายหลังเข้าใจความหมายทันทีจึงโยนเสื้อผ้าทิ้งไปทำอะไรกันนะคุณน้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พวกเจ้าไม่รู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณเลยหรือเจ้าชุนฮาวาเตรียมจะสั่งสอนที่พวกเขาไม่มีมารยาตแต่หลีชิงพิงรีบเอ่ยปากเพื่อคลี่คลายสถานการณ์เสียก่อนคุณป้าไม่เป็นไรหรอกข้าสงสัยจะเป็นพระฉันตาไม่ดีเองเลือกของที่ไม่ถูกใจเด็กๆคราวหน้าคอยพาพวกเขาไปเลือกเองเลยก็ได้ค่ะสวยออกใครว่าเจ้าตาไม่ดี เจ้าชุนหวาเอ่ยปกป้องนางเก็บเสื้อผ้าใหม่ที่หลีชิงพิงซื้อมาให้อย่างยิ้มแย้มพวกเขาก็แค่เขินหน้าปกติเสื้อผ้าที่ข้าซื้อให้พวกเขายังไม่สวยเท่าที่เจ้าเลือกเลยรสนิยมของคนหนุ่มสาวนี่มันต่างกันจริงๆเสียวหวานคนเดียวในตระกูลเจิ้งที่ไม่ต้อนรับพวกนางแม่ลูกก็น่าจะเป็นหลานชายทั้งสามคนของคุณอาเจิ้งนี่แหละนางดูออกว่าคนรองกับคนเล็กล้วนแต่ฟังคาสั่งการของคนโตทั้งสิ้น เด็กแสบพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะอย่างไรพวกนางก็แค่มาพักที่บ้านเก่าชั่วคราวต่อไปก็ต้องย้ายออกไปอยู่ดีเจิ้งหยุนชงรู้สึกไม่พอใจแต่ต่อหน้าหลีชิงผิงเขาไม่อาจแสดงอาการออกมาได้หลังจากส่งสองแม่ลูกกลับบ้านแล้วเขาก็เดินตรงเข้าไปในห้องของเด็กๆและถามขึ้นว่าพวกจะมีปัญหาอะไรกับหน้าหลีหรือเปล่าหากจะถามว่าในบ้านหลังนี้พวกเขาสามคนกลัวใครที่สุดเจิ้งหยุนชงย่อมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือคุณปู่ เจ้งเศร้าซิงคนเล็กสุดหวาดกลัวจนมุดตัวเข้าไปในผ้าห่มไม่กล้าพูดจาได้แต่โผล่ดวงตาออกมามองคุณอะอเศร้าเหงเจ้งหยุนฉงเห็นว่าไม่มีใครยอมพูดจึงเรียกชื่อคนโตโดยตรงเจ้งเศร้าเหิงพ่นคำสามคําออกมาอย่างเย็นชาไม่มีปัญห า, า, า, า, าเศร้าหยางเจ้างหยุนฉงเรียกคนรองต่อเจ้งเศร้าหยางไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ใหญ่ถึงบอกว่าไม่มีปัญหาแต่เขาคิดว่าในสถานการณ์เช่นนี้ควรจะพูดตามพี่ใหญ่ไว้ก่อน ไม่มีไม่มีปัญหาครับพวกเจ้าทาเหมือนคนไม่มีปัญหาอย่างนั้นหรือน้าเสียงของเจิ้งหยุนชงเท่มขึ้นหากพวกเจ้ามีความคิดเห็นอะไรก็พูดออกมาได้แต่เรื่องอย่างไม่เย็นนี้ห้ามเกิดขึ้นอีกเด็ดขาดเสื้อผ้าที่คุณนหลีซื้อให้อย่างน้อยก็ต้องรู้จักขอบคุณไม่ใช่ทําตัวไร้มารายาทเช่นนี้นางซื้อให้งั้นหรือเจิ้งเซาเหิรแค่นหัวเรอออกมาเข้าว่าเห็นชัดๆว่าเป็นอาทิซื้อให้มากกว่านางจะมีเงินที่ไหนมาซื้อเสื้อผ้าให้พวกเรา ก็แค่เอาเงินของอามาประจบพวกเราเท่านั้นแหละเสื้อผ้าพวกนั้นคุณนาหลีของพวกเจ้าเป็นคนซื้อจริงๆเจ้หยุนชงขมวดคิวเด็กพวกนี้ไปติดนิสัยเสียที่ชอบปรักปรำคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานมาจากไหนกันนั่นก็เป็นเงินที่อาให้อยู่ดีเจ้งเศร้าเฮงเถียงกลับอย่างไม่ยอมลดละข้าให้เงินอะไรสินสอดนะ่ะหรือเจ้หยุนชงกล่าวอย่างอารมสีย ลูกผู้ชายจะแต่งเมียก็ต้องให้สินสอดอย่าว่าแต่ข้าเลยต่อไปพวกเจ้าแต่งงานก็ต้องให้สินสอดฝ่ายหญิงเหมือนกันไม่ให้สินสอดจะแต่งเมียได้อย่างไรนี่คือพื้นฐานที่ควรทําทะเลาะอะไรกันเจ้าชุนหัวรีบเดินเข้ามาเมื่อมองดูพวกเขานางก็เริ่มหมดความอดทนเช่นกันวันนี้การกระทำของพวกเจ้าทั้งสาคนไร้มารยาทจริงจริงแม้แต่ความเคารพพื้นฐานก็ยังทําไม่ได้ค่าสั่งสอนพวกเจ้ามาแบบนี้หรือ น่ารีเขากําลังจะแต่งงานกับอาสอของพวกเจ้าต่อไปนางก็คือคนในครอบครัวเราและเป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าอย่างน้อยพวกเจ้าก็ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพนางไม่ใช่เสียนหน่อยเจ้งเศร้าสิงเม้มปากพี่รองบอกว่าผู้หญิงข้างนอกที่อยากแต่งงานกับอาอของข้าถ้าไม่หวังเงินของบ้านเราก็ต้องหวังอํานาจของบ้านเราสรุปคือไม่ใช่คนดีทั้งนั้นแหละพอแต่งเข้ามาในบ้านเราแล้วนางก็จะยึดอํานาจ ท, ทันทีแล้วก็ทารุณพวกเราเฮ <c oughs> ะเจ้าชุนหวาฟังแล้วรู้สึกว่ามันไร้สาระสิ้นดีเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ย บ้านเรามีอะไรให้หวังคิ้วที่ขมวดมุ่นของเจิ้งหยุนชงยิ่งลึกขึ้นเงินอำนาจอายุแค่นี้กับรู้เรื่องพวกนี้เสียแล้วพวกเจ้าช่างเรียนรู้ในทางที่ผิดจริงๆเจ้าสามหุบปากเจิ้งเศร้าอย่างแยกเคี้ยวใส่จเจิ้งเศร้าซิงอย่างนึกรําคารทําไมถึงกลายเป็นเขาที่เป็นคนพูดไปได้ต่อให้เขาเป็นคนพูดจริงๆก็ไม่ควรจะบอกว่าเป็นเขาหากคุณอาอยากจะลงมือละ่ะก็เขาคงถูกตีตายแน่เจ้าเป็นคนพูดหรือ ดวงตาคมกริบของเจิ้งหยุนชงจ้องเขม็งไปที่เจิ้งเซาหยางเจ้าไปได้ยินคําพูดพวกนี้มาจากไหนหืมอ่าครับเปล่าครับค่ะเจิ้งเซาหยางอึกอักไม่กล้าพูดคําพูดที่พวกเจ้าพูดมามันช่าง น, น่าขันนักหักเป็นอย่างที่พวกเจ้าว่าจริงผู้หญิงข้างนอกนั่นไม่แหกันมาแต่งงานกับอาสอของพวกเจ้าหมดแล้วหรือเจ้าชุนฮวาถึงกับหัวเราะออกมาด้วยความโมโหแล้วทําไมหลายปีมานี้ข้างกายอาสอของพวกเจ้าถึงไม่มีใครเลยสักคน พวกเจ้ามองเห็นแต่ด้านดีของบ้านเราแล้วด้านที่ไม่ดีละ่ะมีลูกชายสามคนนั่นหมายถึงภาระสามส่วนทั้งเรื่องซื้อบ้านให้ลูกแต่งเมียให้ลูกมีอย่างไหนบ้างที่ไม่ต้องใช้เงินข้าว่าพวกเจ้าช่างมองข้ามหัวคนอื่นไปไกลแล้วคิดว่าอาสองของพวกเจ้าต้องตรักตราทำงานเพื่อพวกเจ้าไปตลอดชีวิตโดยที่ข้างกายจะมีใครสักคนไม่ได้เลยหรือเพราะอะไรกันเจ้าชุนหัาเอ่ยปกป้องลูกชายของนางมันไม่ยุติธรรม ข้าจะบอกพวกเจ้าไว้ตรงนี้พวกเจ้าจะไม่เห็นด้วยนั่นก็เรื่องของพวกเจ้าแต่ใครก็ห้ามมาขัดขวางลูกชายข้าหาเมียนะหลีแต่งเข้ามาในบ้านหลังนี้ใครก็ห้ามทำให้สองแม่ลูกคู่นี้ต้องเสียใจได้ยินกันหมดทุกคนไหม